เรื่องเปรตมีรูปเป็นสมณี น, นหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชฤกษ์ครั้งนั้นท่านพระลักษณะกับพระมหาโมกขลณนะพักอยู่ที่เขาขิจกูดครั้นเวลาเช้าพระมหาโมกขลณะนะครองอันตรวาสุถือบาทและจีวรเข้าไปหาพระลักษณะจนถึงที่อยู่เชิญชวนว่าท่านลักษณะมาเถิด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 อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคคลณะตอบว่าท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขากิจกูดได้เห็นสมมาเนนเปรตลอยในอากาศสังคาติบาทประคตเอวและร่างกายของมันถูกไฟติดลูกชนจนมาร้องครวญครางกระผมมีความรู้สึกว่าน่าอาจจัศจริงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้ มีการได้อตภาพเช่นนี้อยู่ภิกษุทั้งหลายพากันตําหนิประนามโพลทนาว่าพระมหาโมคคลนะณะกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าพิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักสุญยานก็ยังมีอยู่เพราะสาวกที่รู้ที่เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็เห็นสมมเนธเปรนั้นแต่ไม่พยากรณเพราะการพยากรณ น, นั้น